พระยี่สิบองค์พอไปโดยมากมีตะกิจนิมนต์ะกิจนิมนตแต่ละแต่ละองค์ที่ลงไปกรุงเทพแต่ถึงยังไงก็ตามนั้นลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนธนโดยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระของเราน่ะลูกหลานตั้งใจภาวนา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 บอกกล่าวสอนกันเรื่องอำนวยความสะดวกของเรามีอยู่แล้วก็นี่แหละไปนั่งภาวนาที่ไหนนั่งได้นานนะ่ะหน้าห น, นาวเนะี่ยเพราะว่ายังไม่หนาวมากขนาดนี้ขนาดพอดีพอดีหมผ้าก็ยังอุ่นอยู่โดยเฉพาะอย่างเยิ่งพระหนมุมพระน้อยพระหนุ่มหมผ้ายังอุ่นแล้วก็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 ควรไม่ควรอันไหนควรคิดอันไหนควรทำอันไหนควรไข้คว ร, ร, รอันไห น, ค ว, ค, ว น, นควรศึกษาตลอดถึงการท่องสวดมนต์สาทยายก็เหมือนกันต้องบังคับต้องมอว่าเกิดประโยชน์เมื่อเกิดประโยชน์แล้วตั้งเข็มทิศเดินไปเลยเ้าต้องเดินจะสายนี้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 ขาดจาการเป็นพระแต่ว่าฆ่าสัตว์พวกสัตว์ทิรฐิฉันเป็นปาจิตติเสมอกันนี่พระวินัยของผูธได้าท่านท่านเพ่งไปถึงด้าน จ, จิตใจซึ่จะตัวเล็กตัวใหญ่กับมันก็รักชีวิตอมันเหมือนกันภิกษุข้างแกล้งฆ่าสัตว์แกล้งฆ่าสัตว์ต้องปาจิตตินี่แหละพระวินัยของผู้ได้ยาโล ก, กวัชชะธรรมวัชชะก็มีนะพระลูกพัน